พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าใครก็ตามห้ามทาเหรียญหลวงพ่ออินวันนี้ระ ทั้งหมด28รูปนะพระ28องค์ลงมาฉัน17งดสัน12ตามรายงานเออือนนี้เป็นวันที่17เมษายนพุทธศักราช2557แต่มูล น, นิธิดูแลพระสงฆ์ของเราก็ ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วแต่เรายังไม่ได้โอนสตางค์ให้เขาเท่านั้นสตางค์ต้นหลักตามมูลนิธิแปลว่าขอจดทะเบียนอย่างน้อยสามแสนห้าแสนแต่ของเราเนี่ยจดไว้หนึ่งล้าน หมูนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธเราจดได้ตั้งแต่วันที่28มีนา5 7ถ้าหากว่าเราไม่โอนเงินเข้าไป เ, เดือนหนึ่งแปลว่าผิดก ฎ, กฎกติกาเขาผิดกฎหมายเขาที่เราขออนุญาตอจาจจะยกเลิกนี่เราหลวงพ่อให้ผ่านสงกานไปก่อนผ่านสงการไปเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะคงจะได้โอน จะตุปัจจัยของวัดของเรานอะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะไม่ใช่เงินของหลวงพ่อะจะตุปปัจจัยเงินกระถินเงินผ้าป่าเงินอะไรต่อไม่อะไรน่ะที่ผู้มาถวายคนละมากคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยลลหลวงพอ่อก็รวมรวมกันจากนั้นก็ตั้งเป็นจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่ว่ากรรมฐานไม่ว่าวัดบ้านไม่ว่าพระมาจากประเทศไหนที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลอุดรธานีของเราถ้าหากถึงกับตายก็นเนี้ยเงินก้อนนี้แหละส่งศพเป็นแมช่ชีพระเนรเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไม่ว่าพระ ในประเทศพระต่างประเทศพระประเทศลาวคอมเต์เวียดนามที่ไหนก็ตามถ้ามาป่วยแล้วก็มูนิธิของเราเก็จะเข้าไปช่วยดูแลในระดับหนึ่งเท่าที่จะดูแลได้ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะากองทุนของเราเพิ่งตั้งไข่เบื้องกรเด็กเกิดใหม่พอมันเดินได้จะทาไง มันอาจจะขนมเอาขนมเบาๆให้สักก้อนนึงฮะแต่จะให้มันแบดแท่งเหล็กหนักๆมันแบกได้แล้วเด็กเกิดใหม่นี่ก็ลักษณะอย่างนั้นหละไม่ใช่ว่ามูนิที่ขึ้นมาแล้วก็จะรับใช้จ่ายหมดทุกอย่างไม่ใช่เมื่อตั้งขึ้นมาใหม่กำลังยังไม่พอเราก็ใช้ในระดับหนึ่งดูแลในระดับหนึ่งพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่ากันนะพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วย เท่าไรต้องค่าใช้จ่ายเท่าไรต้องในรักษาอันนั้นคือกำลังกำลังพอแล้วอันนี้กำลังของเราพึ่งเแบบี้พึ่งเกิดมาใหม่เราจะไปต้อนรับขับสู้ทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ที่ยังไงก็พร้อมที่จะสู้ตั้งขึ้นมาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เขามาบวชถึงเป็นพระเป็นชีอันนี้ในมูลนิธิของพวกเราเริ่มแล้วล่ะเริ่มสตาร์ทเป็นครั้งแรกแล้วล่ะต่อไปก็คงจะ บ, บริหารดูแลไปเรื่อยๆเหมือนกับมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สีนครินขอนแก่นอันนั้นแปลว่าตั้งตัวได้แล้วเกิดมาตั้ง6กปีตอนนั้นดูแลพระสงฆ์ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์กูบาจานหมูพกเพื่อนศรีนครินขอนแก่นหมอก็พร้อมอะไรก็พร้อมเข้าไปก็ได้รับความสะดวกสบายกูบาจานพระเถระผู้ใหญ่ถ้าจะไปลงกรุงเทพก็ไม่รู้จกใครไม่รู้จะพักที่ไหนมาที่ขอนแก่นศรัทธายาตโยงไปเยี่ยมยามถามข่าวได้ ไปกราบไปไหว้ได้ก็มีประโยชน์อยู่ใกล้ถิ่นฐานถิ่นของเราอุดรก็เหมือนกันอุดรก็คิดว่าเมื่อครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยคงคงจะเข้าไปอยู่ที่นี่ใกล้ น, น ะ, ะเพรานั้นหลวงพ่อจึงได้ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยคุมครองไปถึง ชีด้วยว่าทำไมชีจังเลคุ้มครองเพราะชีเข้ามาบวชทีแรกก็มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีวงศาคณาญาติพอจากนั้นเขาก็ห่างเหินกันไปก็ตัวเองก็ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเรียกหาญาติโกโหติกาก็คงจะ ไม่ค่อยมีเหมือนกับพระเนี่ยหลวงพ่อจะไปเรียกหาญาติพี่น้องจะไปเรียกได้ยังไงฮหลูกหลานเขาก็ออไปหัวทุกหัวและแหงกันไปแล้วเราจะไปเรียกจากเขาไม่ได้เราก็ต้องพึ่งตนเองพระทุกองค์ชีทุกคนก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่มูลนิธิของเราเนี่ยคุ้มครองดูแลเท่าที่จะรักษาได้แต่ถึงยังไง แต่ถึงจุดหนึ่งจุดจบมาถึงจะรักษาอย่างไงมันก็รักคุ้มครองไม่ได้พูดไปอย่างนั้นตัวเองนะ่ะคุ้มครองตัวเองก่อนที่จะตายก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะอย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าจิตใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วถึงจะตายอย่างไงก็ตายนะฮะ ก็คือพระรหันอย่างเก่าอย่างพระโมกคลาถึงจะถูกโจนฆ่าท่านก็เป็นพระรหันพระในครั้งพุทธกาลตายมรณาภาพแต ก, กต่างกันแต่ท่านก็คือพระรหันเหตุไรเพราะว่าท่านใจของท่านบริสุทธิ์แล้วคือพระรหันนี่พวกเราก็เหมือนกันให้พวกเราตั้งใจภาวนา ทำให้จิตใจหลุดพ้นเป็นพระรหันต์เลยถึงจะตายยังไงก็คือพระรหันต์ตายถ้าหาว่าผู้มีกิเลสตายเลยถึงจะตายยังไงก็คือผู้มีกิเลสตายตายแล้วก็ยังจะได้เกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกยาวนานเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะประมาณได้แต่พระรหันต์ได้ไปว่าจบแล้วเรียนจบแล้วจุดจบแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว วิชาทุกแหนงเรียนจบหมดแล้วอันนี้คือพระอรหันต์จุดนั้นแหละจุดที่พวกเราปรารถนามันถึงยังไงไม่อยากจะมาเวียนไหวตายเกิดนั่นและแลก็งานของพวกเรานะวันที่27ทางในครัวเขาให้ดูๆความพร้อมปัดกวาดทำความสะอาดเตรียงพร้อมถ้าตรงไหนที่มันมีปัญหาห้องนองห้องน้ำ พกก๊อกนงก๊อกน้ําอะไรแต่มันใช้ไม่ได้อย่าไปทิ้งไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้งานล่ะทางในทั้งนอกก็เหมือนกันคูบาทั้งหลายก็ช่วยๆกันปัดกวาดตามร้านต่างๆดูๆเอาไว้ทหาวันตรงไหนที่มันเป็นถนนกรกละเราก็เอาพวกผู้เท่าผู้แกผู้ที่จะไปทำงานได้มาช่วยๆกันปรับถนนหนทาง บริเวณแล้วก็กิ่งไม้ที่มันฟื้นแมาสู่หลังคามดมันเข้ามาเราก็หาไม้ไปตัดไปกระตุกออกซะแล้วจากนั้นก็ทำความสะอาดข้างในเอาน้า ม, มันหยอดใส่แล้วก็ปัดกวาดอย่างที่กุฏิรับแขกผู้ติ ด, ดตามนะก็เหมือนกันให้พวกเราท่านทั้งหลายเอานั่นะ สเปร์ตะไคร้ที่มันไล่มันมีกลิ่นนั่นนะไปไล่พวกมดจะไปเอาสเปรยฆ่ามันนะเราเป็นพระไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้เอาสเปรย์พแล้วไปฉีดๆพ่นๆไล่ๆ ๆ, ๆมันก็เช็ดๆช็ดทำความสะอาดพวกมดพอแล้วมันก็จะได้ลงหนีออกไปมันไม่ใช่กุฏิมดนะนกุฏิพระบอกมันแล้วก็ช่วยๆกันทำความสะอาดนะช่วยกันดูแต่เนิ่นๆ งานสิงไหนก็ตามถ้าเราใกล้ๆแล้วยังค่อยมาเออบลุมมาตุ้มมาตุมาต้มมาลมล่ะมันหนักเผลอๆทะเลาะกันได้ง่ายอีกต่างหากถ้าเราทําไว้แต่เน่นๆเน่ยดูตรงนั้นดูตรงนี้น้ําพร้อมไหมระบบน้ําเป็นยังไง ร, ระบบห้องน้ําห้องส้วมเป็นยังไงคนจะได้มามากนะพูดได้อย่างนั้นแต่หลวงพ่อมีแต่พูดเนทะ่านั้นแต่พวกเรา ช่วยๆกันดูแล้วว่าขาดเหลือขาดตกอะไรมีความจําเป็นอะไรขาดเหลืออะไรก็บอกหลวงพ่อนะเราคงคงจะมีการแจกของเหมือนกับชาวบ้านที่เหมือนที่ผ่านมาเมื่หลวงพ่อถามคุณปอมางคุณพวกนั้นช่วยๆกันดูนะแจกของชาวบ้านก็คือชาวบ้านกับพระสงฆ์ของเรา ไปบินทบาทกับพี่น้องชาวบ้านพวกเราอยู่ห่างไกลไม่ได้มาดูดูแลพระสงฆ์เออเอเมื่อพวกท่านดูแลพระสงฆ์พวกเราก็สนับสนุนพวกท่านเนี่เกือกูลหนุนกันอย่างร็กเตอร์ชาวองค์ขมวตรีท่านสร้างอาคารเรียนให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสกลนครท่านสร้างถึงสี่ชั้นอาคารใหญ่ งบทั้ง24ี่ล้านกว่าท่านก็ให้เหตุผลว่าผมได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่สกลนครก่อนลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมาหลวงปู่ปูกวาหลตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่เทศครูบาอาจารย์ ได้มาฉันจังหันอยู่ที่สกลนครพระมาจสกลนครแล้วจะไปที่ไหนต้องฉันจังหันพี่น้องชาวสกลนครก็ได้ใส่บาตรทำบุญกับครูบาอาจารย์เหล่านั้นผมมาทีหลังพงวอนได้ศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นที่พวกท่านทั้งหลายได้ใส่บาตรทําบุญผมก็ได้รับธรรมะจากท่านเพราะฉะนั้นผม เ, ออเห็นบุญคุณของพี่น้องประชาชนได้ดูแลครูบาอาจารย์ของผมที่ผมรายได้ธรรมะลูกหลานก็คงจะเรียนหนังสือเอาผมสั่งอาคารเรียนให้เป็นการทดแทนให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือนะนี่แหละอันนี้คล้ายๆควับท่านคิดไกลคิดมอง เ, ออเป็นเครื่องเครือกูณหนุนกันนี่ก็เหมือนกันนะพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในละแวกนี้ได้ดูแลพระสงฆ์ในทําบุญตักบาตรที่พระสงฆ์อยู่ได้เพราะพี่น้องประชาชนในท้องถิน่นเป็นผู้เกื้อกูลห น, นุนพวกเราอยู่ทางนอกเอออ้นานทีวันเกิดหลวงพ่อเอาเอาข้าวมาแจกสักคนละถุงสองคุตู้น้ำปลาแต่จึิงกขนาดนั้นก็เถอะนะหมดไปหลายแสนมัองกันนะพี่น้องนะแต่ละปีนะแต่ละปีก็หลายแสนมือนกันนะ บอกมันหลายคนถ้าเราจะไปแจกเ อ, อผู้มีอันจะกินจะก่อนยังค่อยแจกผู้ที่รวยแล้วไม่แจกมิตะคนจนทั้งหมดหมดเนี่อถามาผมก็ไม่ได้รวยคนนั้นก็ไม่รวยเออถ้าไม่รวยเอาแจกแจกให้มันทั่วถึงกันแล้วก็จบ <c oughs> นี่แหละงานวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยก็เออแต่หลวงพ่อก็บอกถ้ามันหนักหนาก็บอกนะศรัทธาญาติโยมนะมันหนักหนาอะไรบอกให้หลวงพ่อทราบด้วย แต่จะไปบอกตั้งแต่นุ่นล่ะหลวงพ่อได้ยินว่ามันใครเอาเหรียญหลวงพ่อมาทํามาแจกเนะี่ยคันผู้ใดอยากจะรวยกับเหรียญหลวงพ่อเนะีย่ยจะมาเข้าวัดหลวงพ่อนะบอกบอกกันนะหลวงพ่อยังไม่ให้ทํานะเหรียญเหรีรีลานนะ เ, เพอเพอหน่มีแต่เหรียญหลวงพ่ออินเกลือนไปหมดไม่มีใครจะแขวนแขวนคอคนก็นแล้วไปแขวนคอหมาเนะี่ยใครนะอย่าทํานะ ต่อไปมันจะเป็นสินค้านะวันนั้นไม่ควรจะทำหลวงพ่อบอกแล้วมันไม่ผิดนะเราได้ยินจากวัดต่างๆขายพระยังไม่ขายเหรียญขายเหรียญนะขายพระขายทั้งกระทั่งสารณะของตนเองพุทธทางธรรมัางสังังสารณังขจฉามีขายสารณะแล้วยังขายพุทธทางธรรมบงสังังขายพระแล้วยังไม่แล้วนะยังขายหลวงพ่ออินอีก ทั้งที่ที่แรกก็ว่าเป็นที่เคารพเขาคารวะกูบายจานเออเอาหลวงพ่อออกอามาขายมาแจกกันขายเอามันเป็นสินค้าเนี่ยวันเป็นราคาเนี่ยบอกไม่ใช่ได้ของฟรีนะจ้างเขาทำนะเอาขอทุนคืนซะผลในสุดเป็นสินค้าเนี่ยเกินไปหมดเลยมันไม่เป็นผลดีผลในสุดก็ทะเลาะ ก, กัน เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเราฟังเอาไว้นะใครนะถ้าใครนะอยากจะมาอยากจะรวยในเรื่องขายเหรียญนนะ่ยอย่ามาใกล้หลวงพ่ออินนะบอกให้หนีห่างๆหลวงพ่อไม่ได้ส่งเสริมในการขายลูกขายเหรียญ น, นะเพราะนั้นนะบอกบอกกันนะบอกต่อๆกันด้วยถ้าใครเขาตามท่านรู้นะถ้าใครรู้เจ๋งๆเข้ามาแล้วใครเป็นคนทาหนะลวงพ่อจะขีดเส้นแดงเลยนะไม่ให้เข้าวัดเข้าใจไหม เหมือนกับเอาช็อกขีดขีดกันหมดอย่างนั้นอ่ะเอาละพอเนี่ต่นี่อนุมโมูลนาให้พอ